อริยสัจ4โดยสังเขปภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสอย่างเหล่านี้สอย่างเหล่าไหนเล่าสอย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์ และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขิภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกเป็นอย่างไรเล่าคำตอบคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือขัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกพิภุทษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกขเป็นอย่างไรเล่า คือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนําให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจความเพลินมักทาให้เพลิดเพลินยิ่งในอารมณนน์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ภิษุทิทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นความสลละลงเสียความสลัดทิ้งไป ความปล่อยวางความไม่อะไรถึงซึ่งตัณหานั้นเองอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุททั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐ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 คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก์ นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดอริยสัตต์ปฏิจจสมุปบาทอาริยสัตต์สีในบทนี้เราจะเห็นว่าแตกต่างจากอาริยสัตตสีในบทก่อนอริยสัตตสีในบทก่อนนั้นพระองค์กล่าวโดยย่อ โดยตัวของสมุทัยและตัวนิโรดนั้นพระองค์พูดในเรื่องของการดับไปของตัณหาและการเกิดขึ้นของตัณหาส่วนอริสสัตตโดยละเอียดนั้นพระองค์จะนำสายปฏิจจสมุปบาทวงรอบการเกิดและสายปฏิจจสมุปบาทวงรอบการดับมาใส่ไว้ในตัวสมุทัยและใส่ไว้ในตัวนิโรธซึ่งเป็นการอธิบายการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ และการดับไปแห่งทุกโดยละเอียดลักษณะนี้ก็คืออริยสัตว์สี่โดยละเอียดที่ลงรายละเอียดในส่วนของสมุทัยและนิโรธโดยใช้สายปฏิจจสมุปบาทวงรอบการเกิดและวงรอบการดับเป็นตัวขยายความอธิบายในส่วนสมุทัยกับนิโรธดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่า แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายะสะทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปัญจุปาทานขันทั้งหลายเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรเล่า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 อุปายตสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเล่า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 เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายะสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่า ทุกขนิโรธอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสรศิฐประกอบด้วยองค์8ปประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่า เหล่านี้คืออริยสัจ ท, ทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายคมขี่ไม่ได้ทําให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ดังนี้แล